แนะนำบทอัลอฮกอบทนี้เป็นบทมักกิยะมี35องค์การที่มีเป้าหมายเช่นเดียวกับบทมักกิยะอื่นๆได้เริ่มต้นโดยการกล่าวถึงอัลกุรอานซึ่งถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ว่าเป็นความจริงกล่าวถึงจเจวิตที่พวกมุชริกนกราบไหว้บูชาได้ชี้แจงถึงการหลงทางและความผิดของพวกเขาในการเคารพสการะ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 บทอัลอาฮ์กอถูกขนานนามเช่นนี้เพราะว่าอัลอาฮ์กอเป็นสถานที่ของกลุ่มชนอาจซึ่งอัลลอ์ทรงทำลายล้างพวกเขาอันเนื่องจากความดื้อดึงยะโสโอหังที่ํานักของพวกเขาอยู่ที่เมืองอัลอาฮ์กอในประเทศเยเมน ด้วยพระนามของอัลลอ์ผู ah, ้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอทาพีนี้ได้ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮผู upa, ้ทรงเดชะนุภาพ้รงปราำพนี้ได้ถูกประทานลงมาจากอัลลอ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชาญาณ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 قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني م ر و ن ما دخلق من الأرض أروني ما ا خ ل ق من الأرض أم لهم شذق في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثر จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากองค์ลอตจงแสดงให้ข้าเห็นซิว่าพวกมันได้สร้างอะไรในแผ่นดินนี้บ้างหรือว่าพวกมันมีส่วนร่วมในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าจงนําบรรดาคัมภีรก่อนหน้า น, นี้มาให้ข้าดูซิหรือจงแสดงร่องรอยแห่งความรู้ที่เป็นหลักฐานยืนยันในการนี้ หาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจิและใครเล่าจะหลงทางมากไปกว่าผูท้ที่วิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์ที่มันจะไม่ตอบรับการบิงวอนของเขาจนกระทั่งถึงวันเกียะ และพวกมันเฉยเมยต่อการวิงวอรขอของพวกเขาและเมื่อมนุษย์ถูกให้มาชุมนุมกันพวกมันก็จะเป็นศัตรูกับพวกเขาและจะเป็นทุกปฏิเสธการเคารพบูชาของพวกเขาด้วย ญญมมลและเมื่ออองการต่างๆอันชัดแจ้งของเราถูกสาทยายแก่พวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัธาได้กล่าวเกี่ยวกับสัจธรรมอัลกุราณที่ได้มาอย่างพวกเขาว่า นี่คือมาอยากลอย่างชัดแจ้งรู้พวกเขากล่าวว่าเขาม u h หมม a d ได้ปั่นแต่งอัลกุรอานนั้น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 Ah อทรงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าถ้าอัลกุรอานมาจากอัลลอฮ์และพวกเจ้าปฏิเสธมันทั้งทั้งที่พย า, ยานคนหนึ่งจากวงวานของอิสรานเป็นพย า, ยานต่อลักษณะเช่นเดียวกันกับคำพีเตารถแล้วเขาก็ศรัทธาแต่พวกเขายังหยิ่งยโสถ้าจริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนผู้อาธรรม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 และโดยทีしし่พวกเขาพวกปฏิเสธศรัทธาไม่ได้รับการชี้แนะด้วยอัลกุรอานดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวว่านี่คือการโกหกเดิมๆนั่นแหละ แต่ก่อนหน้าอัลกุรอานนี้มีคำภีของมูฮัซญเป็นแบบอย่างและมีความเมตตาและนี่คืออัลกุรอานแต่เป็นคำภีที่ยืนยันเป็นภาษาอาหรับเพื่อตักเตือนบรรดาผู้ทำความผิดและเป็นข่าวดีแก่บรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลายอินนัลเดี๋ยนาลูอัลลัลลอฮฺซุนมัสต์ความุฟลาขอฟุนอาไลห์มวะลาห์มยัฮจานู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 เหล่านั้นคือชาวสวรรค์โดยที่พวกเขาจะพมนักอยู่เลยนั้นตลอดกาลนั่นเป็นการตอบแทนตามที่พวกเขาได้กระทำไ ว, ว้ ص ص حتى إذا بلغ أ شده وبلغ أربعين سنة قال قال ر ب ّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تباه และเราได้สั่งเสียมนุษย์ให้กระทมดีต่อบิดามารดาของเขามารดาของเขาได้อุ้มคันเขาด้วยความเหนื่อยอยากและได้คลอดเขาด้วยความยากลำบากและได้อุ้มคันเขาและการหย่านมเขาในระยะ30เดือน จนกระทั่งเมื่อเขาบรรลุวัยหนุ่มสะกันและมีอายุถึงสี่สิบปีเขาจะกล่าววิงวอนว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้แก่ฉันเพื่อให้ฉันขอบคุณต่อความโปรดปรานของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่ฉันและบินดาบารดาของฉันและให้ฉันกระทำความดีเพื่อให้พระองค์ท่านทรงพอพระไทยแก่ฉัน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 والذي َِّ قال ََ لوالديه ََِِْ أُفِلَّكُمَا أَتَعْذَلِنِي أَنْ أُخْرَجَ أَتَعْذَلِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْخُرُونُ مِنْ ق َ ب ْ ل ِ ه وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهِ وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهِ وَإِلَكَ أَمْنٍ إ ِ ن َ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ แล้วพูดที่กล่าวแก่บิดามารดาของเขาว่าอุ๊บแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองขู่ฉันว่าฉันจะถูกให้ออกมาฟื้นคืนชีพอีกกระนั้นหรือทั้งๆ ท, ที่หลายศตวรรษก่อนหน้าฉันได้ล่วงลับไปแล้วและเขาทั้งสองร้องขอความที่เหลือต่อเหรอพลางกล่าวแก่ลูกว่า ความหายยะนะจงประสบแก่เจ้าจงศรัทธาเถิดแท้จริงสัญญาของละนนนั้นเป็นความจริงแล้วเขาก็พูดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อืน่นใดนอกจากเป็นนิยายสมัยโบราณเท่านั้นออิคยน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 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ ك َ ف َ ر ُ و ا عَلَى مَارِ أزْهَبَتُ م ل ط ِّ ي ب َ ا ت ِ كُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ا ل د ُّ ن ْ ي َ ا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَدَا ب َ ل ْ ه ُ ن ِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ح َ ق ِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ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 โดยปราศจากความเป็นธรรมและเนื่งด้วยพวกเจ้าทำชั่ว。 อออิินนนาาบมมจงรำลึกถึงหุดพี่น้องคนหนึ่งของเผ่าอ า, ขาดขณะที่เขาเตือนกลุ่มชนของเขาที่เนินเขาอัฟฟอฟและแน่นอนบรรดาผู้จักเตือนรอศูนย์ก่อนหน้าเขาและบรรดาหลังเขาได้กล่าวเตือนว่าพวกเจ้าอย่าได้เคารพพักดีผู้ใดนอกจากเขาหรอ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 ดังนั้นจงนำการลงโทษ ต, ตามที่ท่านได้สัญญากับเราไว้หากท่านอยู่ในหมู่ผู้พูดจิเขาหูดกล่าวว่าแท้จริงความรู้เรื่องการลงโทษนั้นอยู่ที่อัลลอฮ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 ครั้นเมื่อพวกเขาเห็นเมฆทึบเคลื่อนมายัางที่ราบลุ่มในหมู่บ้านของพวกเขาพวกเขากล่าวว่านี่คือเมฆที่จะให้น้ำฝนแก่เรากล่าวเลยมันคือสิ่งที่พวกเจ้าเร่งขอให้เกิดมันคือลมพายุในนั้นมีการลงโทษอันเจ็บปวด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 وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أ َ و ْ م َ ى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ و َ ح َ ق َ ب ِ ه ِ م ا ك ا ن و ا و َ ح َ ق َ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 และโดยแน่นอนเราได้ทำลายหมู่บ้านที่อยู่รอบๆพวกเจ้าและเราได้แจกแจงสัญญาณต่างๆหลายครั้งหวังว่าพวกเขาจะกลับมาสำนึกผิด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 ر ر ي ي และจงระลึกถึงเมื่อเราได้ให้ยินจำนวนหนึ่งมุ่งไปอย่างพวกเจ้าเพื่อฟังอัลกุรอา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 าบอมยพวกเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของเราแท้จริงเราได้ฟังคำพีอัลกุรอานถูกประทานลงมาหลังจากมูซาเป็นการยืนยันในสิ่งที่มาก่อนอัลกุรอานเพื่อชี้แนะทางไปสูส่จธรรม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 และจะสรงให้พวกเจ้ารอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดวและผู้ใดที่ไม่ตอบรับข่อเรียกร้องของอัลลอเขาจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษในคันดินี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 และพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าถ้าจริงเลาทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้และไม่ทรงอ่อนเพลียต่อการสร้างสิ่งเหล่านั้นย่อมทรงเป็นผู้สามารถที่จะให้คนตายมีชีวิตขึ้นใหม่แน่นอนแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงเดชาทุกภาพเหนือทุกสิ่ง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 พระองค์ตรัสว่าดังนั้นพวกเจ้าจงลิมรสการลงโทษตามที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธารับิบิขม่อศัรูลุลกาซมิมจาบุสลิ ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إ ل า ساعة م มิน ن า ا ر ลา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 เว้นแต่เพียงช่วครู่หนึ่งของกลางวันเท่านั้นนี่คือคำประกาศตัดเตือนดังนั้นความหายนะจะไม่ประสบแก่ผู้ใดนอกจากกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืน